และมีสติไม่หวั่นไหวไม่ถูกจักจูงไปตามความชอบใจไม่ชอบใจสามารถตามดูรู้เห็นอารมณ์นั้นๆไปตามสภาวะของมันตั้งแต่ต้นจนตลอดสายไม่ถูกความติดพันความข้องขัดขุ่นมัวหรือความกระทบกระแทกที่เนื่องจากอารมณ์นั้นฉุดรั้งหรือสะดุดเอาไว้ให้เขวออกไปเสียก่อนทั้งนี้ต่างจากปุถุชนที่เมื่อรับรู้อารมณ์ใด ก็มักไปสะดุดอยู่ตรงจุดหรือแง่ที่กระทบความชอบใจไม่ชอบใจแล้วเกาะเกี่ยวพัวพันอยู่ตรงนั้นสร้างความตริตรึกคิดปรุงแต่งผันพิสดารขึ้นตรงนั้นแล้วถาลายหรือเขวะออกไปจากทางแห่งความเป็นจริงเกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือรู้เห็นไปตามอํานาจกิเลสที่ปรุงแต่งไม่รู้เห็นตามความเป็นไปของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆเช่ น, น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 ผู้ฟังเห็นเป็นสิ่งผิดพลาดเสียหายไม่อาจยอมรับได้ดังนี้เป็นต้นลึกซึ้งลงไปอีกคือปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารรู้สามั ญ, ญลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เท่าทันสมมติบัญญัติไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรูปลักษ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลายและยอมรับความจริงทุกด้านไม่ใช่ติดอยู่เพียงแงใดแงหนึ่งความรู้เห็นตามที่มันเป็น หรือรู้เห็นตามความเป็นจริงขั้นนี้จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นลัทธิมองแง่ร้ายได้โดยสิ้นเชิงเช่นผู้เข้าถึงพุทธธรรมรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียวรู้ว่าความอยากย้อมใจที่เกิดจากความนึกคิดของคนต่างหาเป็นกามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาชื่อว่ากามใหม่ อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันอย่างนั้นเองดังนั้นที่รชนทั้งหลายจึงเปลื้องออกไปเพียงความติดใจชอบในอารมณ์เหล่านั้นผู้ที่จะตรัสรู้ได้ต้องเข้าใจทั้งอัศทะอาทีนบและนิสระณะคือต้องเข้าใจทั้งส่วนดีหรือส่วนที่น่าชื่นชมส่วนเสียหรือส่วนที่เป็นโทษและ ทางปลอดพ้นของกามของโลกของขันห้ามองเห็นส่วนดีว่าเป็นส่วนดีมองเห็นส่วนเสียว่าเป็นส่วนเสียมองเห็นทางปลอดพ้นว่าเป็นทางปลอดพ้นแต่ที่ละกามหายติดใจในโลกเลิกยึดขันห้าเสียก็เพราะมองเห็นนิจสารณะคือทางปลอดพ้นเป็นอิสระซึ่งจะทําให้อยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อส่วนดีและส่วนเสียเหล่านั้น อีกทั้งเป็นการอยู่ดีมีสุขที่ประเสริฐกว่าประณีตกว่าอีกด้วยความรู้เท่าทันสมมติบัญญัตินั้นรวมไปถึงการรู้เข้าใจวิถีทางแห่งภาษาที่เรียกว่าป oh ูหารโลกรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดติดในสมมติของภาษาดังพุทธพจน์ในทีฆนักสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญาตว่าภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่กล่าวเข้าข้างกับใครไม่กล่าวทุ่มเถียงกับใครอันใดเขาพูดกันในโลกก็กล่าวไปตามนั้นไม่ยึดถือในอรหันตสูตรสังยุตติกายสขาวรถมีพุทธพ์ว่าภิกษุผู้เป็นอรหันตขี น, นาศจะพึงกล่าวว่าฉันพูดดังนี้ก็ดีเขาพูดกับฉันดังนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําที่เขาพูดกันในโลกก็พึงกล่าวไปตามโมหารเท่านั้นในปุพพสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรกมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับโลกดอกโลกต่างหากขัดแย้งกับเราธรรมวาทีผู้กล่าวทำผู้พูดตามธรำย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสิ่งใดมันดิดในโลกสมมติกันว่าไม่มี เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีสิ่งใดบันดิตในโลกสมมติกันว่ามีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีในโปตปาตสูตรทีคณิกายศีละคันทวัฒนมีพุทธพท์ว่าเหล่านี้เป็นโลกกสมัญญาเป็นโลกกนิรุตเป็นโลกกโวหารเป็นโลกกบัญญัตซึ่งตถาคตใช้พูดจาแต่ไม่ยึดถือ เมื่อเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้นก็เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเรียกว่าเกิดมีโล ก, กทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้องความยึดถือทิฏฐิทฤษฎีทั้งหลายในทางอภิปรัชญารวมทั้งความสงสัยในปัญหาต่างๆที่เรียกว่าอภพยากะตะปัญหาคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญกรอเช่นว่า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 สังขารก็อย่างหนึ่งเจ้าของสังขารก็อย่างหนึ่งตัวชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันตัวชีวะก็อย่างหนึ่งสรีระก็อีกอย่างหนึ่งความเห็นเหล่านั้นทั้งปวงย่อมถูกละหมดไปและในอัพยากตสูตรอังคุตรานิกายสัตตการนิบาทเมื่อพิสุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยะสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว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 ที่ดำเนินไปสู่ความดับแห่งทิฏฐิทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขาเขายังไม่พ้นจากชาติชรามรโมระโสกะปริเทวะทุกโทมนั์อุปายาตลักษณะทางปัญญาอีกอย่างหนึ่งของผู้เข้าถึงสัจธรรมแล้วคือไม่เชื่อไม่มีศรัทธาหรือพูดอีกอย่างว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องมีศรัทธาหรือไม่ต้องอาศัยศรัทธา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 สังขารจึงมีเป็นต้นหรือที่พระสารีบุตรทูลพระพุทธเจ้าว่าในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเรื่องนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วเห็นแล้วรู้ชัดแล้วทำให้ประจักษ์แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาจึงไม่มีความสงสัยไม่มีความคลางแคลงใจ